เรื่องคนไข้ที่พยาบาลได้ยากและพยาบาลได้ง่ายคนไข้ที่พยาบาลได้ยากมีอาการ5อย่าง366ภิกษุทั้งหลายคนไข้ที่มีอาการ5อย่างพยาบาลได้ยากคือ 1. นึงไม่ทำความสบายสองไม่รู้ประมาณในความสบาย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 เป็นทุกแสนสาหัสกล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจแทบจะฆ่าชีวิตภิกษุทั้งหลายคนไข้ที่มีอาการห้าอย่างนี้แลพยาบาลได้ยาก